สำหรับต่อไปนี้อาตมาจะขอปรารภเรื่องของธาตุสี่ต่อไปเป็นนั้นว่าธาตุสี่เป็นปัจจัยของความทุกข์หรือว่ามันมีความร่อยรอเป็นปกติไม่มีการทรงตัวมีการขลายแคลนอยู่ตลอดเวลาเจนได้ว่าธาตุสีที่ร่อยรอลงไปเสื่อมตัวลงไปสลายตัวลงไป ก็เพราะว่าธาตุสี่ต้องการอาหารเพื่อเพื่องตอบแทนในสิ่งที่สิ้นไปเปลี่ยไปหมดไปนี่การเพิ่มเติมอาหารของธาตุสีไม่มีการส่งตัวแน่นอนต้องเพิ่มกันทุกวั น, นแสดงว่ามันสลายตัวทุกวันนี่การที่ต้องเพิ่มอาหารเพิ่มจากอะไรเพิ่มจากความหิวความหิวที่พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าชิ้คัตฉาปรมาโรคา ความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งคัมมโรคแปลว่าการเสียดแทงนี่เสี่มแล้วก็ทำให้ใจเป็นทุกมีการเสียดมีการปวดมีการต้องการมีการกระหายมากขึ้นแปรกายของความทุกนี่เป็นไอ้ว่าธาตุดินมันเสื่อมเมื่อธาตุดตินเสื่อมแล้วธาตุเนื้อน้ำเสื่อมด้วยไหมอาหารทุกครั้งแลวก่อนจะกินอาหารหนัก ทุกครั้งที่ร่างกายต้องการก็คือน้ำน้ำต้มไร่กอบอยู่ตลอดเวลาแสดงว่าธาตุน้ำก็เสียอไปด้วยเพราะร่างกายใช้ให้หมดไปสำหรับธาตุลมกับธาตุไฟก็มีสภาพไม่ทรงตัวนักบางครั้งสำหรับธาตุไฟจะว่าร่างกายอบอุ่นดีบางครั้งเย็นเกินไปแต่ความอบอุ่นน้อยเกินไปร่างกายก็รู้สึกว่าไม่สบาย ลมก็ไม่แน่นักไมนกันบางทีก็ขึ้นมากกว่าลงลงมากกว่าขึ้นที่เรียกกันว่าโรคลมโรคลมนี่มีความร้ายแรงมากโรคที่มีโรคลมที่มีความสาคัญมากก็คืออวาตะกะโรคอะฮิวะตะกะโรคนี่กข แ, แปลว่าโรคลมที่มีพิษเหมือนพิษงูนี่ลมไมนกัน แม้แต่แค่ลมให้ใจก็ไม่สุขสบายนะักบางครั้งก็ให้ใจสะดวกบางครั้งก็ให้ใจไม่สะดวกเป็นอันว่าสภาพของท่าสี่ที่ส่งตัวถ้าพิจารณาในด้านวิปัสสนาญาณจะเห็นว่ามันมีความเสื่อมเป็นปกติและก็มีสภาพนามาสร่งความทุกข์ไม่ใช่นำความสุขมาให้ในที่สุด จะประคับประคองเพียงใดก็ตามทีมันก็สลายตัวพังมันอยู่ไม่ได้ถ้าจะเอาจิตใจเข้าไปเกาะร่างกายว่าเป็นเราเป็นของเราอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูว่านั่นเป็นวิสัยของคนที่มีความโง่เป็นปัจจัยว่าเป็นวิสัยของท่านที่มีจริตคือโทสัยขอประธานประธานาภัยไม่กัมีตกจริตว่าโมหจริต มีความคิดไม่ฉลาดมีการเกาะอยู่ตามตามปกติไม่คิดถึงความเป็นจริงว่าร่างกายมีสภาพเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปมีการสลายตัวไปในที่สุดเป็นเรื่องของคนโง่ประเภทนั้นสำหรับคนฉลาดต้องมองเห็นความจริงตามปกติด้วยปัญญาของตอนเองเมื่อตอนไม่รู้มาก่อนได้รับคำแนะนำ เ, นเพียงเพียงข้อจากบุคคลใด ทัานผู้นี้ก็สามารถมาเจริญในให้เข้าใจชัดละเอียดละออได้เป็นอันว่าพิจารณาในด้านพิปัสนาญาณเห็นว่าร่างกายไม่เป็นเรื่องไม่เป็นเครื่องที่ควรจะเกาะเข้าไว้นี่ในด้านมหาปฏิปทานนนสูตรองค์สมเด็จพระจอมไทยให้พิจารณาด้านสมถะควบคือตัดอารมณ์ยึดในร่างกายด้วยให้พิจารณาร่างกายเหมือนกับโคขาดคนข้าวัว ฆ่าวัวแล้วนําหนังไปหนังกับเนื้อไปไว้กองหนึ่งกระดูกไปไว้กองหนึ่งเอาไส้ตับไยไส้ปอดไปไว้กองหนึ่งเอาเลือดน้ําเหลืองน้ําหนองไปไว้กองหนึ่งแล้วก็มาพิจารณาดูว่าวัวทั้งร่างกายนี่มีส่วนไหนบ้างที่เป็นของสะอาดจะไปจับหนังจับเนื้อที่มันเกล็ดกลางไปไดนเลือดก็รู้สึกว่าสกปรกเหม็นขาวจยาบแล้วเปื้อนมือไปล้าง นี่จะไปดูกระดูกก็สกปรกดูตับไตใส่ปลอดภายในที่เอมากองไว้ก็ไม่น่ามองจะไปดูน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองอุจจาระปัสสาวะที่นำไปกองไว้ส่วนหนึ่งก็แสนจะโสโครกก็เป็นอันวท่าศีรษะที่ประกอบข้นมาร่างกายนี้เต็มไปด้วยความสกปรกเป็นของที่ไม่น่ารักมองในด้านนี้เป็นด้านสมถะภาวนา แล้มองในด้านสมถะภาวนาแล้วก็มองในด้านมิปัสสนาภาวนาว่าไม่น่ารักแล้วมันก็มีความไม่เที่ยงมีอาการเป็นทุกข์มีการสลายตัวไปในที่สุดตามที่ถวายพระพรมาแล้ว <c oughs> นี่จุดนี้จุดหนึ่งที่องค์สมเด็จพระประทีรแก้วทรงแนะนําท่านที่มีความฉลาดที่เียว่าพุท ธ, ธจริตให้คิดถึงความตายว่าความเกิดมันเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ เกิดใหม่ต่อไปมันจะทุกข์ใหม่ก้าวต่อไปเพื่อเป็นการหนีความตายเข้ามาพิจารณาธาตุสีเป็นสมณฐและวิปัสสนาตามที่ถวายพระพรมาแล้วจึงกระทั่งอารมณ์จิตทรงตัวเป็นเอกกตารมณ์มีความไม่นิยมในร่างกายถ้าจะว่ากันไปจริงๆเท่านี้ก็เป็นอรหันต์แล้ว <c oughs> สบายแล้วสกายทิฏฐิเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา ร่างกายไม่ได้เป็นที่รักร่างกายเป็นธาตุสีเข้ามาประชุมกันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเสื่อมไปในธรรมกลางมีการสลายตัวไปในสุดธาตุสี่เป็นปัจจัยของความทุกข์เท่านี้ก็หมดเป็นพาลหนจิตใจไม่ยึดมัน่นไม่ถือมั่นในร่างกายปล่อยมันจะมีสภาพเป็นยังไงก็ช่งมันการประครับประคองร่างกายเป็นกฎธรรมดาถ้าประครับประคองไม่ไหวจะตายก็ปล่อย การประคับประคองก็เพื่อเป็นการประคับประคองเพื่อจ่าสัยเอาร่างกายไว้ใช้ให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณประโยชน์ความจริงเท่านี้ก็พอไม่ต้องพูดต่อไปอีกก็เป็นอรหรันต์แล้วอา จ, จมาปาลารคก็ตนเองแต่ในไหนพระพุทธเจ้าทั้งเทศ ต, ต่อก็ว่าต่อไปเป็นอันว่าข้อต่อไปมาองสมเด็จไปจอมไตรเห็นบะคนนั้นมั่นคงไม่สะดุ้งสะเทือนต่อความตาย มีกำลังใจดีให้พิจารณาธาตุสี่เป็นสมถะและวิปัสนาเอาอารมณ์เรื่องจากสมถะและวิปัสนาตอนนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยากจะเห็นเล็กลงไปว่าร่างกายที่เราปลนเปลยมันนั้นมันเกิดมาจากสภาวะแห่งความสกปรกและต่อมาเราก็เอาของสกปรกเข้าไปบำรุงบำรเลยมัน ของสุกภกเหล่านี้นั้นได้แก่อะไรอาหารอาหารทุกชิ้นทุกส่วนที่รับประทานบริโภคกันทุกวันเป็นของมาจากพื้นฐานแห่งความสุกภพขณะที่มันเกิดขึ้นมาก่อตัวขึ้นมามันก็มาจากพื้นฐานในการสุขภพกการหล่อเลี้ยงลําต้นเนื้ร่างกายให้เจริญขึ้นก็มาจากอาหารที่เป็นของสุกภพ ได้ตัวของอาหารเองจะเป็นวัตถุแร่ธาตุพืชผักและสัตว์กว็ตามก็เป็นวัตถุธาตุแร่ธาตุและก็ะสัตว์ที่เต็มบริความสกบรกอาหารทุกชิ้นเป็นของสุกปรกจากนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสั่งสอนแนะนําคนฉลาดอันนี้คนโง่แนะนําไม่ได้ต้องแนะนําได้แต่คนฉลาดฝ่ายเดียว สำคนที่จะหลาดอค์สมเด็จพระบรมโลกก็นาาทรงแนะนำว่าจงพิจรารณาหารตามความเป็นจริงสังเกตเอขอถวายพระพรอาตมาจาเะเผยเสมอคิดว่าผู้กับชาบ้านธรรมดาอยู่เรื่อยแต่ความจริงพระมหาวพิตรก็ไม่ทรงถือพระองค์ก็สแสดงพระองค์เป็นพุทธมามา ก, กะเต็มพระองค์ อาตมาก็ต้องขอพระธานาไพ่บางครั้งหรือไปอาจจะเป็นการตีเส ม, มอมากเกินไปเป็นการไม่สมควรเจ้าพญาวอาหารทุกอย่างเป็นของสปกปรกและตอนนี้ก็มานั่งพิจารณาว่าการหล่อเลี้ยงร่างกายเราหล่อเลี้ยงได้ของสะอาดและสปลกปรกเพิ่งของสปกปรกฮาหาเลปฏิูโกสัญญาให้พิจารณาหายก่อนการบริโภค ว่าสัตว์มาจากพื้นฐานอะไรสัตว์อาหารที่สัตว์บริโภคกันไปจากพืชผักก็ดีของที่ปลูงมาจากเน่ก็ดีมาจากความสุขรกร่างกายของสัตว์มีน้ําเลือดน้าเหลืองน้าหนองอุจจาระปัสสาวะสุขรกทั้งหมดเอาย่อยๆพืชผักทั้งหลายที่จะเป็นอาหารขึ้นมันได้มาจากปุ๋ยที่เต็มไปด้วยความสุขรก อาหารของพืชผักสกรปรกสําหรับแร่ธาตุต่างๆก็จมอยู่ในดินในโคนลนดินโคลนเต็มไปด้วยความสกรปรกเป็นอันว่าอาหารสิ่งที่มาประกอบอาหารทั้งหมดเป็นของสกรปรกเมื่อมาปรุงแล้วก็ยังสกรปรกถ้าแม่ครัวจะบอกว่าข้าเชื้อโรคตายหมดแล้วแต่นั้นมันเรื่องของเชื้อโรคเพราะความร้อนตายเพราะความร้อนแต่เชื้อโรคบางอย่างความร้อนที่ทําอาหารยังไม่ทําให้เชื้อโรคตาย อันนี้ก็ไม่ขอพูดเรื่องมันจะมากไป <c oughs> เป็นอนุว่าแม่ครัวบอกว่าสะอาด จ, จากไฟคือความร้อนเชื้อโรคตายแต่ก็จะร่าว่ากลิ่นไอคาวของอาหารยังปรากฏมันก็เป็นของสกปรกถ้าอาหารสะอาด จ, จริงๆเวลาบริโภคกันไปแล้วก็ไม่ต้องล้างปากไม่ต้องล้างมือรล่อยให้กลิ่นไอของอาหารทรงอยู่อย่างนั้นเพราะมันเป็นของดี แต่นี่เวลาจะบริพกต้องการอย่างน้นต้องการอย่างนี้สีอย่างนั้นรสอย่างนั้นกินแบบนี้ดีทั้งหมดแต่พอบริบริพกเสร็จรีบล้างปากล้างมือนะั้นเพราะอะไรก็รู้สึกตัวมนขนาขณะที่อิ่มึ้นมาบอกว่ามันสกปรกนี่เพิ่งจะรู้ถ้าหิวไม่รู้หน้ามืดไม่มีความรู้สึกเมื่อบริพกขอนี่สกปรกก็ไปสร้างร่างกาย ชดเชยของที่เสียไปสร้างใหม่ให้มันเต็มขึ้นมาและร่างกายทั้งร่างกายจะเป็นของสะอาดและของสกรปรกตัวนี้เป็นตัวตัดราคะคือการมชันทะตรงๆเห็นชัดองค์สมเด็จพระทรงเสบัดที่ชัดให้เห็นว่าให้ใช้จิตพิจารณาหาความเป็นจริงไม่ใช่ไปโตเถียงความเป็นจริง ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นเพราะว่าจริตนี้เป็นจริตของพระอาหารหันต์ไม่ใช่พระอาารนาคามีนี่ก็เลยไม่ต้องพูดกันทั้งด้านป็นสดาสิกธาคาอนาคาถอยหลังลงไปในตอนต้นจะเห็นว่าอันดับแรกท่านให้สตาตมรณานกสติกรรมฐานมาก่อนคนที่เห็นความตายเป็นกีฬาของชีวิตต้องเป็นคนกลา้ากล้าต่อสู้กับความเป็นจริง แสแดงถึงว่ามีอารมณ์เข้มแข็งมีความฉลดัดยอมรับนักถือกฎของความเป็นจริงเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากไม่ใช่เรื่องเล็กถ้าคนมีปัญญาอย่างเด็กๆใช้อะไรไม่ได้ต้องเป็นปัญญาของผู้ใหญ่จึงจะใช้ได้คําว่าผู้ใหญ่ในที่นี้หมายถึงว่าคนที่มีบา ร, รมีตามสมควรพอสมควรแล้วถ้ามีความอ่อนแอของบา ร, รมีในส่วนใดส่วนหนึง่งยังจะมองไม่เห็น คนที่เป็นพุทธจริตได้เต็มอารมณ์ภาคภูได้เต็มอารมณ์จริงๆคือเต็มจริตจริงๆคือท่านผู้นั้นเป็นอุคติตัญฑ์อู่หรวิปติตัณฑอยู่เป็นอย่างฉน้อยว่าเป็นคนมีปัญญาชั้นยอดสะกินิดเดียวก็ไปนิพพานนี่เป็นลักษณะของบุคคลผู้เป็นพุทธจริตอย่างเต็มที่ ถ้าพุท ธ, ธจริตแบบเบาๆก็พอจะมีความเข้าใจอยู่บ้างต้องคลํากันหน่อยถึงจะก้าวข้าสนิพานได้แต่ถึงยังไงก็ดีถ้าพุท ธ, ธจริตเต็มๆมีเต็มที่หมายความเป็นพุท ธ, ธจริตจริงๆจะไปนิพพานช้าจะไปนิพพานเร็วก็ต้องไปกันได้ในชาตินี้แน่ไม่ใช่รอไปชาติหน้า เพราะกกรรมฐ า, านเรื่องสี่องค์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ส, สมบฐานให้เป็นกรรมฐ า, านเฉพาะพระนิพพานจริงๆกรรมฐ า, านข้อที่หนึ่งมีกำลังใจไม่หวั่นไหวต่อความตายเพราะมีความแน่ใจว่าตายแล้วมีความสุข <c oughs> มีความสุขเพราะอะไรเพราะไม่ต้องการความเกิดทินโทษของความเกิด เพราะว่าร่างกายเป็นเพียง่าตสีเป็นของไม่ดีเป็นของสกปรกก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นเหตุให้เป็นทุกข์และมีการสลายตัวเป็นนาทีสุดเรื่องไรที่จะไปต้องนั่งครบขันท่าที่ประกอบไปด้วยธาตสีต่อไปการปล่อยขันท่าได้เมื่ลัยเป็นพระละหันเมื่อนั้นต่อไปแทบเป็นการเป็นการส่งเสริมกําลังใจเห็นว่าร่างกายเป็นโทษเป็นทุกข์ และเป็นของห่าเกลียดโซกบกเป็นการตัดการมรงคะอย่างชัดชัดตัดความผูกพันของร่างกายให้ได้ขาดโดยองค์สมเด็จพระบรมโลกนาิสอนให้เห็นเชื้อของร่างกายสิ่งที่สร้างรายาร่างกายเพิ่มเติมมันเป็นของสซกรกได้แก่อาหารที่ให้พิจารณาเป็นอาหารเรีริกูรสัญญาเห็นว่าร่างกายโซกบก <c oughs> เห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์ ให้เมื่อร่างกายเสื่อมให้เมื่อร่างกายพังให้เมื่อร่างกายไม่ควรครบหมดเรื่องตัดร่างกายตัวเดียวเป็นอนันห์อย่างท่านเบร์โคติกะท่านไม่เคยคิดถึงเรื่องนิพพานแต่ว่าความไม่พอใจในร่างกายมีอยู่ในฐานะที่ตนบวชอยู่ในสำนักขององค์สมเด็จพระบรมครู เพื่อนเป็นพระอริยะเจ้ากันเป็นแถวแต่ตัวท่านก็เจ็บแล้วเจ็บเล่าปวดอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาพักผ่อนเจริญจิตได้แค่ชานโลกีเล็กน้อยเท่านั้นบางบางชัยก็เสื่อมไปเพราะร่างกายไม่สบายเรื่องชานนี่มีความสำคัญที่ร่างกายถ้าร่างกายมีกำลังดีชานโลกีจะส่งตัว ขณะได้ร่างกายไม่ดีสาชานโลกีก็ยำแย่เข้าดีไม่ได้เป็นอันว่าพระโคติกะช้ำใจน้อยใจจากร่างกายเป็นสำคัญมานั่งคำานึงคิดว่าเป็นพระเพื่อนติโบสด้วยกันนั้นเวลานี้เขาเป็นอรหันต์กันไปเป็นแถวแถวถ้าสำหรับเราอยู่ในสำนักขององค์สมเด็จพระบาททิศแก้วคือพระพุทธเจ้า แต่ไม่มีโอกาสแม้ว่าจะส่งฌานสมาบัตเป็นฌานโลกีให้ส่งตัวบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีร่างกายทุกขเวทนาเบาหน่อยชันก็เกิดทุกขเวทนาเกิดขึ้นมากชันก็สลายตัวยึงแม่คิดว่าเจ้าร่างกายนี้มันเป็นภัยใหญ่ ถ้าร่างกายของเรามันไม่ป่วยไข้ไม่สบายอย่างน้อยที่สดุดเวลานี้เราอาจจะเป็นพระโสดาสิกาคานาคารหารือลาหนก็ได้แต่ที่เป็นไปไม่ได้อย่างนี้เพราะร่างกายไม่อํานวยมันช่วยทําลายจิตใจขอเขาให้เสื่อมทามในการจะพบองค์สมเด็จพระพุทมีพระภาคเจ้าเมื่อไรจะได้พบตายจากชาตินี้แล้วเมื่อไรจะมีพระพุทธเจ้าเกิดกุศลขึ้นมาในโลกอีก ในเมื่อร่างกายมันไม่ดีก็ขอขอเลิกครบขึ้นชีว์ร่างกายที่ประกอบด้วยกันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างนี้ไม่ต้องการมันอีกขอตัดย้ายขาดวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแล้วก็มิกลมเชิคอตายเพียงเท่านี้องค์สมเด็จพระจอมตาตัดว่าพระโคติกะไปนิพพาน นี่ท่านยังไม่ได้นึกถึงอุปสมานุสติกรมฐานนึกที่ว่าไม่พอใจในร่างกายเท่านั้นว่าร่างกายมันเป็นโทษเป็นทุกข์ความจริงการไม่พอใจในร่างกายเห็นว่าร่างกายเป็นโทษเป็นทุกข์เมื่อขณะที่มีชีวิตอยู่อยู่ที่ความอึดอัดอยู่ที่ความลำคาญอยู่ที่ความลำบากเพราะไม่มีโอกาสที่จะจากร่างกายไปได้รวดเร็ ว, รวนี่เป็นอารมณ์พระอรหันต์ พระอรหันต์ุองค์มีความรู้สึกแบบนี้เหมือนกันหมดอย่างพระสารีบุตรเคยพูดกับพระบอกว่าเราอยู่ในความอึดอัดเราอยู่ในความลำคาญเราอยู่ใน ค, ค, ความทรมานเพราะร่างกายนี้มันยังไม่พังแต่ว่าร่างกายยังไม่พังเพียงใดเราก็ไม่ทําอันตรนิบาตกรรมไม่ทำลายมันจะใช้ร่างกายให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณประโยชน์ต่อไปถ้ามันพังมันสลายตัวเมื่อไรฉันก็สบายเมื่อนั้น แต่ความจริงจิตท่านสบายอยู่แล้วแต่อึดอัดในขันห้าขันห้ามันไม่ค่อยสบายเนื่องมเมื่อขันห้ามันหิวก็ต้องหาเลี้ยงมันมันร้อนก็ต้องอาบน้ําให้มันมันหนาวก็ต้องผ้าห่มให้มันมันป่วยไข้ไม่สบายก็ต้องรักษามันเป็นการบรรเทาทุกขเวทนาแต่ได้ว่าความจะพอใจในขันห้าความรักในขันห้าไม่มีแต่ก็ต้องปลนปลื้มเพราะจะเป็นหน้าที่ที่ต้องบำรุงรักษา จนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายของมันนี่เป็นอนุว่าองค์สมเด็จพระพ毗ชิตมารส่งแนะนําให้ท่านที่มีจิตทรงพุทธจริญมีอารมณ์จิตพิจารณาตามที่กล่าวมาแล้วสามจุดมีมรณานุสติกรรมฐานจตุท่าประธานสีอาหาเลปฏิโกฏสัญญาก็น่าจะเป็นอรหันต์ได้แล้วแต่ความจริงแค่สองก็พอ มรานานุนสติกับจจตุธากรรมฐานสี่ก็เป็นอรหันต์ได้แล้วแต่องค์สำเร็จประปฏิบแก้วยังไม่มั่นใจเกรงว่ากำลังใจของท่านพุทธจริตยังอ่อนอยู่ประเภทอ่อนประเภทเข้มมีประเภทอ่อนมีถ้าประเภทเข้มสะกิดแค่มรณานานสติกมรรมฐาน ก, ากับอุปสม า, านุสติกรรมฐานสองอย่างเท่านี้ไปนิพพานเลย ท่านเพ่พระเพ่เข้มเนะส ก, กนิดนิดหนึ่งไม่ได้เห็นว่าร่างกายมันจะตายเป็นทุกข์การเกิดไม่มีความหมายทรัพย์สินทั้งหลายที่ในโลกนี้แต่หาไว้ไม่มีความหมายร่างกายไม่มีความหมายเท่านี้แล้วก็แหย่เข้าไปนิดหามีอารมณ์เกาะว่าจิตนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ที่เรียกกันว่าอุปสมานุสติกรรมฐานเท่านี้คนที่มีอารมณ์เข้มเห็นกันได้ไม่ชัดเห็นกันได้ไม่ยาก ความจริงท่านประเพศนี้ก็มีมีต้นปลายกฏแล้วที่ยอมรับนับถือองค์สมเด็จพระบัณฑแก้วได้เคยเปล่งวาจาให้ได้ยินเสมอเสมอว่าทรัพย์สินไม่มีความหมายร่างกายไม่มีความหมายสิ่งที่ต้องการคือพระนิพพานอารมณ์ของท่านพูดนี้นั้นก็เป็นศรัทธาจริตเกี่ยพุทธจริตบวกและเมื่ออารมณ์ของท่านต้องการพระนิพพาน ท่านไม่มีความสําคัญในทรัพย์สินเห็นว่าร่างกายไม่สําคัญเป็นการตัดกายคตาส ก, กายาติถิถิเด็ดขาดอันดับสูงยอดเรือโคดิกะไม่นึกถึงพระนิพพานอย่างไปได้ท่านพูนั่นดิเห็นว่าทรัพย์สมบัติไม่มีความหมายร่างกายไม่มีความหมายจิตใจต้องการพระนิพพานท่านจะไปไหนนี่ความจริงท่านที่มีศรัทธาเจริตกับพุทธจริตบกกันประเภทเข้มสะ ก, กิดนิดเดียวก็ไปนิพพาน ที่องค์สมเด็จพระ毗ถมานต้องสอนมากไปกนิดหนึ่งไปถึงธาตุสี่ก็หาเลปฏิกูิย์สัญญาก็เป็นการสอนเผื่อเหนียวไว้เพื่ออรมใจของท่านบนนั้นอย่างอ่อนอยู่องค์สมเด็จพระบรมัครูจึงประคับประคองไม่ไดึงกรรมฐานนั่งสองประการสําหรับข้อที่สี่นั้นเป็นกรรมฐานข้อที่สได้วกาอุปสมานุสติกรรมฐานคือนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ คิดว่าการเกิดคราวนี้เป็นชาติสุดท้ายการทำงานทุกอย่างเพื่อสธาธารณประโยชน์ไม่ต้องการผลตอบแทนต้องการอย่างเดียวให้ประชากรมีความสุขเท่าที่ความสามารถจะเพื่งได้มีน้ำใจประกอบไปด้วยความบริหารสีมีเมตตาความรักเป็นต้นเว้นอคติสีและก็ส่งความดีได้แก่ฮิริโลตตะปะ ทรงคุณธรรมระเสริดไปเป็นปกติารบอารมณ์ว่าความชายพิีทุกขาความเกิดเป็นทุกข์เชรารีทุกขาความแก่เป็นทุกข์มรนามพิทุกขังความตายเป็นทุกข์ในเมื่อเกิดก็ทุกข์แก่ก็ทุกข์ตายก็ทุกข์เป็นน้ำว่าเกิดขึ้นมาแล้วอยู่ก็ทุกข์ตายก็ทุกข์จะมีประโยชน์อะไรสิ่ง ขึ้นชื่อว่าความทุกข์ไม่มีใครปรารถนาแล้วทําไมจึงจะมาตั้งหน้าตั้งตาผูกพันกับขันห้าคือร่างกายถ้าจิตใจปลดร่างกายได้พี่อย่างเดียวก็ปลดทุกสิ่งทุกอย่างได้เมื่อปลดร่างกายได้แล้วไปไหนก็ไปพันธุพันธุ์เป็นอนุวาตในด้านของพุทธจริตที่อาจจะมาถวายพระพรพระมาหาบพิดมา อาจจะซ้ำาๆำสักสกถอยหน้าถอยหลังเสียงฟังไม่ชัดทั้งนี้ก็เพราะว่าที่องค์สมเด็จพระสงฆ์สบายกล่าวว่าขันห้าเป็นของไม่เที่ยงวันเวลาที่อาตมาตั้งใจแต่จะบันทึกถวายนานแล้วแต่ได้ว่าร่างกายไม่อำนวยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงพูดไม่ออกเวลานี้พอจะใช้ได้บ้างเสียงก็ยังไม่ปกติ เห็นว่าเดือนมีนาจะผ่านไปเพราะว่าถวายพระพรไม่ว่าเดือนมีนาจะบันทึกถวายเมื่อเวเดือนมีนาจะผ่านไปเสียงจะดีหรือไม่ดีก็ไม่สําคัญสัญญาต้องเป็นสัญญาถ้าเสียงต้องมียังมีบ้างก็ต้องทําแต่การทําถวายในคราวนี้ก็ไม่ได้มุ่งหวังอย่างอื่นไม่ใช่คิดว่าพระมหาบอกพิษ ท, ทรงใช้ อาตมากลับดีใจที่พระมาหาพิทมีความปรารถนากรรมฐานนี้มีความสำคัญเพราะเป็นอารมณ์ใจของบุคคลทั้งหลายที่จะพึงหาได้ยากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระกรรมฐ า, านนิองค์สมเด็จพระผู้มีพระภากเจ้าสอนจริตหกประการอันนี้เป็นวิสัยของท่านวิชาสามอวิญญาหลรปฏิสัมมิทายานจะต้องถึงใช้ให้ครบถวน แต่สําหรับตามสํานวนท่านสุขาวิปสัสสโกเป็นพระอระหันต์ที่ปฏิบัติแบบสบายๆที่บรรดาทมิชาสามารถพิญญาหกปฏิษฐ์ธมิธายาณท่านมันจะพูดว่าท่านสุขาวิปสัสสโกชอบสุขเอาเผากินแต่แต่ ว, ว่าพออกิเลส ท, ทั้งหมดสิ้นลงไปแล้วท่านนักหลายเหล่านั้นจะเห็นว่าท่านสุขวิปสัสสโกนี่ท่านทำถูก ท่านทำดีเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีคนสามารถจะใช้ท่านได้จะรู้ผีรู้เทวดารู้นรกรู้สวรรค์ท่านรู้แต่ท่านไม่เห็นไปใช้เป็นหมอดูหมอแลไปแก้กดแ ก, ก้กรรมใช้ไม่ได้ทั้งหมดท่านบอกท่านทำไม่ได้เป็นอันว่าท่านสุ ข, ขัสเวิสสกมีความสบายจริงๆสมชื่อฉะนั้นท่านวิชาสามัญญาหกปรดิษมิธายาน ในตอนต้นก็ต้องการกีฬาสมาธิเป็นสําคัญต้องการรู้น่นรู้นี่งตาจิตจบเต็มที่ก็ไอความต้องการเหล่านั้นมันก็สลายตัวหมดก็ต้องการอย่างเดียวคือความอยู่เป็นสุขเช่นเดียวกับท่านสุขวิปัสสโกแกนั้นวิสัยของท่านสุขวิปัสสโกเมื่อบรรทุกถวายนี้จบแล้วคัดเศษต่อไปอาตมาภาพขอถวายเป็นกรณีพิเศษ ย่าถาว้ข้อความการปฏิบัติของท่านสุขวิปัสสโกแต่ได้ย่อพอได้ความเพื่อสมเร็จพระมหาอภิญ์จได้พิจนารณาในการปฏิบัติและแนะนำบุคคลอื่นต่อไปสำหรับเวลานี้ปรากฏว่าเทพก็จะหมดแล้วอาตมาก็ขอถาวายพระพรลา